เวลาเราฟังธรรมมีสมาธิก็คือว่าให้เราตั้งใจตั้งใจฟังในสิ่งแก้วราได้ยินนะแล้วก็ให้เราพิจารณาตามในสิ่งที่ได้ยินแต่การพิจารณาไม่ใช่ว่าเราต้องคิดตามนะเหมือนถึงว่าคล้ายๆเหมือนกับเวลาฝนตกอะก็ฝนตกลงไปบนผืนดินผืนดินที่ ที่เรียว่ารวนทุยเนาะก็จะรับน้นําฝนนะน้ึมลงไปในในผืนดินได้เยอ ะ, ะแต่ถ้าผืนดินตรงไหนมันแห้งมันจะด้านนะน้ําตกลงมาะเช่นดินอนเขาที่แห้งแห้งนะน้ําก็จะไหลลงไปสู่ข้างล่าง ะ, <น>ะก็ไม่ค่อยได้รับผลประโยชน์จะน้ําฝนที่ตกลงไปใจขเราก็เหมือนกันน ะ, นะให้เราทําตัวเหมือนทําใจเหมือนกับ พืนดินที่ร่วนสุยนะพอที่จะตึ้นตับนะพระธรรมนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าการพิจารณาคือกันพอเราฟังไว้ด้วยให้เราเห็นสภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นในใจของเราด้วยนะเวลาเราฟังธรรมอย่างสมัยพุทธกาลสมัยพระพุทธเจ้าทั้งเทพแล้วก็มีผรสม์หรือว่ามียาดโยมเข้าใจธรรมะ นะต่ขณะที่ท่านเทศนะไม่ใช่ว่าไม่เหมือนพวกเราบางมีฟังเทศฟังธรรมเยอะนะแต่ถ้าไม่มเมตต์บรรล้ธรรมตามรูปเจ้าเลยหรือเราอ่านพระไตรปิฎกนะอ่านพระสูตรต่างๆก็เป็นคำสอนรูปเจ้าโดยตรงทำไมเราไม่เข้าใจในสิ่งนั้นเพราะที่จริงพระสงเหรือบคุคคลสมัยก่อนขอพระเจ้าท่านเทศท่านสอน เขาเห็นสภาวะที่มันแสดงในใจของเขาตามไปด้วยอย่างพุทธเจ้าต้องสอนในบทแรกเลยนะสอนเรื่องทำมจาจักกระเปาปะพัฒนาสูตรนะต้งสอนเรื่องทางสุดโต่งสองด้านที่คนเป็นใหญ่ทําผิดนะแล้วก็สอนพอทางสุดโต่งสองด้านที่ทําผิดแล้วก็มาสอนทางสายกลางหรือว่าอดีตมักในองแตกที่เราได้สวดเมื่อสักครู่นะ ไอ้น้องมีองแฝดคือทางสายกลางนะแต่สมา่าสายกลางนี้ไม่ใช่ว่าเป็นความกลาง ร, ระหว่างความดีกับความเร็วนะไม่ใช่เป็นความกลาง ร, ระหว่างกุศลกับอกุศลแต่ทางสายกลางเนี่ยมันเป็นทางที่เรียกว่าไม่ข้องแวะกับความสุดตรงทั้งสองด้านทางที่สุดตงคืออะไรทางที่เรียกว่าไปยึดติดในกลางนะ หรือถ้าภาษาง่ายๆก็เรียกว่าติดสุขติดสบายติดความเพลิดเพลินความพอใจอนี่คือทางเนี่ยจะเพลินพอใจในวัตถุสิ่งของหรือว่าเพลินพอใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมอันนี้เรียกว่าติดสุขติดสบายอติดความอเรียกว่าความสุขใจข้างในก็แล้วแต่อนี้เรียกว่าทางอุตกธด้านหนึ่ง ทางคือตอีด้านหนึ่งคืออะไรคือคือติดทุกขนะ์ทำร่างกายให้ทุกข์ทำจิตใจให้ทุกขนะ์เรียกว่าหลงไปทําให้ตัวเองให้มันทุกข์นี่คือคนส่วนใหญ่นะคนสมัยนั้นคิดว่าจะแก้ทุกข์ก็ต้องแบบหนามย่อ ก, ก็เราหนามบกนนะับทำทุกขนะ์ลองทุกข์ให้มันสุดๆเดี๋ยวมันอาจจะพ้นทุกข์ไดนะ้แต่จริงพระเจ้าท่าก็ลองมาทั้งสองด้านอยนะู่แล้วท่านก็พบว่า ทั้งสองด้านนะไม่ใช่ทางอม่มันเป็นทางเหมือนกันแต่ทางที่ผิดอแต่ทางที่ผิดไม่ใช่ว่ามันเสียหายเพีทีเดียวนะเพราะว่าที่จริงประสบการณ์ที่ผิดนะี่แะมันบอกว่ามันมันทําไปแล้วมันไม่พ้นจากความทุกข์อ่มันทําไปแล้วมันไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเนาะเหมือนเราเนาะเหมือนเรามาว่าตั้งแต่เราเติบโตมาตั้งแต่เล็กจนท่าน ถึงแบบนี้นะความคิดจิตใจเราก็เปลี่ยนเนาะใช่ไหมแต่ก่อนเราคิดว่าเราเรียนเนังสือเก่งๆเรามีฐานะมีการงานมีเงินมีชื่อเสียงเกียรติยศแต่ทําให้เรามีความสุขเราคิดว่าถ้าเราได้คนนี้เป็นแฟนเป็นคู่กองเราจะมีความสุขเราคิดว่าถ้าเรามีลูกดีๆนะลูกน่ารักมันก็จะมีความสุข นะเราคิดว่าเรามีความพร้อนมะในเรื่องเงินทองแล้วก็ชื่อเสียงกิจยศมันจะทําให้ความสุขแต่เราก็จะเห็นว่าเรามีระดับหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่สุขจริงๆหรือเราเห็นคนอื่นที่เขามีมากกว่าเราเนะี่ยเราก็รู้ว่าเขาก็ไม่เป็นความสุขที่แท้จริงนะแล้วก็เลยเออค่อยๆใจว่าอ๋อทางนั้นมันไม่ใช่ทางความสุขที่แท้จริงนะหรือบางขณะเราก็ เผือบังคับนะเผื่อไปกาหนดเผือไปทาอะไรให้ทุกข์มันก็ไม่ใช่ทางออกจากความทุกข์นะมันยิ่งทําก็ยิ่งทุกข์นะเนะ่ยเราก็จะค่อยๆเห็นว่าพวกนี้เป็นประสบการณ์เท่านั้นเนาะนะเพราะพระพุทธเจ้าก็เป็นคนเหมือนเราครูบาจารย์นะก็เป็นคนเหมือนเราไม่มีใครเกิดมาแล้วนะพ้นจากความทุกขนะ์ทันทีนะ หลงไปทั้งนั้นแหละนะหลงนะหลงด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นแหละนะด้วยความกลัวบ้างนะด้วยความโกรธบ้างด้วยความรับความชังอะไรก็ได้แต่มัาหลงก็ทั้งนั้นเนาะแต่การหลงนั่นแหละคือประสบการณ์ทําให้เราเห็นว่าการหลงนั่นแหละมันไม่ใช่ทางของจากความทุกข์แต่ทางสายกลางเนี่ยมันเป็นทางที่ทําให้เราค้นจากความทุกข์ ทางสายการที่สำคัญคืออะไรมันทำให้เราเห็นทุกจริงๆเห็นทุกแต่ไม่เป็นทุกเห็นว่าสภาวะทุกอย่างมันเป็นทุกแต่ไม่มีเราเป็นผู้ทุกแต่ก่อนเราเรียกว่าพอมันทุกก็คือเราเป็นผู้ทุกร่างกายเนี้ยมันทุกก็คิดว่าร่างกายของเราทุกจิตใจนะ มันมีความทุกข์เกิดขึ้นเขาคิดว่าจิตใจของเรามันมีความทุกข์พอเราไปยึดติดว่าร่างกายนี้จิตใจเนี้มันเป็นเราเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นกับร่างกายแล้วก็จิตใจเนี่ยมันก็เลย เ, เต็มๆเลยเป็นเราทุกข์เป็นกูทุกข์อ่เป็นชั้นทุกข์อ่ะก็แล้วแต่มันเป็นทุกข์ของเราอ่ทุกข์ของร่างกายนี้ทุกข์ของจิตใจนี้เนี่ยถ้าเราเห็นจริงๆแนละ้วมันจะเป็นเพียงแค่ สภาวะทุกข์ของร่างกายสภาวะทุกข์ของจิตใจแต่มันจะมีสภาวะใจน ะ, ะสภาวะใจที่ปกตินะสภาวะใจที่ปกตินะมันมันจะเป็นเพียงแค่ผู้ดูผู้เห็นมันเห็นว่าโอ้มันเป็นทุกข์ของร่างกายมันเป็นทุกข์ของใจจิตใจการเห็นชนะี้ชีเนยโดยการที่ไม่เข้าไปเป็นผู้ทุกข์นะ นี่แหะคือทางสายตานะเราจะเห็นเลยว่าอ๋อทุกข์มันคืออ น, นี้อนะพอเห็นทุกข์เนี่ยทุกข์มันก็ไม่มีที่ตั้งทุกข์มันก็ตกไปนะทุกข์มันก็ดับไปของมันอ๋อมันมีแต่ทุกข์แต่พอพองเห็นแล้วมันก็ไม่มีเราถึงอู้ทุกข์นะมันมีเพียงแค่เพียงแค้อา ก, การที่เขาทุกข์คนะนะวามทุกข์มันเป็นเรื่องที่คู่โรคแต่พอเราไม่เห็น คือพอเราหลงเนะี่ยเราก็เลยปีกยึเปีกว้าไปจับว่าเป็นเรานะอะก็เลยปล่อยไม่ได้เนี่แหละอริยมรรคมัมนีเราจะทําให้เราเข้าใจเรื่องทุกข์อย่างแจ่มแจ้งนะแต่สิ่งที่สําคัญของอริยมรรคนะี่ยคือเราต้องมาฝึกสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึกตัวนะถ้าเราไม่รู้สึกตัวเราไม่มีผู้รู้เนี่ยมันยากที่จะเห็นนะอเราไม่รู้สึกตัวเนี่ย ทุกอย่างเนี่ยมันจะกลายเป็นหมดเลยเป็นเราเป็นของของเราเป็นตัวตนของเราทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับร่างกายหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับใจเนี่ยมันจะมีเราก็าไปยึดเป็นเจ้าของทันทีแต่พอสติเข็นนะมันจะเห็นสภาวะเป็นติงเพียงแค่อารมณ์แต่เมื่อสติมันมีกําลังมากเนี่ยสภาวะที่กิเลสมันเกิดขึ้นมา มันจะตกไปต่อหน้าต่อตานะอย่างบางคนมีสภาวะแบบโกรธมากๆพอมีสติรู้ทันตัวเองเห็นความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยเมื่อกี้มันกรธจริงหายไปไหนเนาะกลับไปคว้นหาก็ไม่เจอนะมันหายไปต่อหน้าต่อตาแบบนั้นอมันจะเกิดความมั่นใจว่าเออสภาวะอารมณ์ที่เมื่อกี้มันเป็นเมื่อกี้มันหนัก แต่พอสติมันมีกำลังแล้วก็มันรู้เท่าทันนี่มันหายไปได้นะอ่ไม่ว่าจะเป็นความโกรธที่อาจจะหยาบยาบนะหลายคนก็จะเห็นได้ได้กอนนะอย่างสมัยก็รู้สึกเห็นความโกรธนะั่นแหละอได้ชัดก่อดตานแรกเห็นแล้วมันก็หายไปดับไปแล้วก็แปลกใจเหมือนกันว่าทำไมมันที่เคยโกรธมากๆมันหายไปไหนนะใจที่มันเคยทุกข์ใจที่แปลงเนะี่ย มันหายไปเลยนะทั้งความโกรธก็หายไปความทุกข์ก็หายไปนะทิพย์มานนะที่ปอนนั้นถือนะมันต้องมีการถือยึดความเห็นยึดตัวตนก่อนนะมันถึงโกรธนะถ้ามันไม่ยึดเนี่ยมันไม่โกรธนะ ม, มันเห็นแลว้วโอ๊เรายึดความเห็นของเราก็ถูกแล้วก็เลยโกรธคนอื่นที่ไม่ทําตามความเห็นของเรานะ่ะมันเห็นตรงนี้ยมันหายไปได้ หรือบางคนอาจจะเห็นความกลัวเห็นความตกใจในบางอย่างนะที่มันแสดง บ, บางคนได้ยินเสียงเขาจุดทุกข์นะตกใจเห็นเห็นใจตัวเองมันตกใจเห็นสภาวะร่างกายที่มันตกใจนะเห็นขึ้นมาก็ดูออกมาจากความตกใจหรือบางคนนะไปเห็นความกลัวนะเห็นความกลัวกลัวผี กลัวอะไรก็แล้วแต่เห็นว่าอะไรไอ้ที่มันกลัวคือความคิดของเรานะเราไปสร้างความกลัวขึ้นในใจของเราเองเนีนะ่ยเห็นพวเนี้นะพอเห็นว่ามันหายไปได้นะความกลัวก็หายไปความโกรธก็หายไปนะความมิตกวากรลก็หายไปอันนี้แหละคือดักสาคัญเราจะทำไงให้เราสร้างความรู้ตัวขึ้นมาแทนที่แทนที่กิเลส น, นี่นแหะ เมื่อเราเห็นสภาวะเนี่ยเรียกว่าเราเราได้ทางของการปฏิบัติจะเรียกว่าเรากลับมาถู ก, ถกทางละทางที่เรียกว่าอริมัชย์ใองศาคือทางสายกล า, างนี่แหนะเรากลับมาตรงนี้ได้นะนี่คือทางสายกางเรากลับมาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะพ้นทุกข์เสียทีเดียวนะแต่เราเดิมมั่นใจแล้วว่าทางตรงนี้แหละคือทางที่จะทําให้เราออกจากความทุกข์ได้อย่างแท้จริงนะ ก่อนนานนั้นมาก็เชื่อว่าหลายคนก็เหมือนกันนะเคยเคยรักษาศีลเคยทําบุญเคยทําสมาธินะแต่เราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยไอ้บอกพวกนั้นเราทําไปแล้วมันก็ยังสงสัยอยู่สงสัยว่าทําบุญถ้ามันได้บุญจริงหรือเปล่าบุญไปอยู่ตรงไหนสงสัยว่ารักษาศีลแล้วมันจะรักษาไปเพื่ออะไระ จะสงสัยว่าทําสมาธินะ่ะกรเดินภาวนาแล้วมันจะเกิดผลอย่างไรนะ่ะมีไหมสงสัยเมนะื่อวานไปสอนปฏิบัติธรรมที่หนึน่งก็มีคนก็ถามว่าทำนะ่ะภาวนานะ่ะถ้ามันจะได้อะไรนะ่ะก็สงสัยแต่สงสัยแล้วก็ติดความสงสัยก็เลยไม่อยากทําอืมเหมือนคล้ายๆต้องมีคนยืนยันคําตอบก่อนว่าได้อะไรแล้วค่อยทำ แต่จริงแม้มาจะบอกว่ามันได้อะไรนะแต่เขาก็ยังสงสัยอยู่ก็ยังไม่เชื่อนะไม่เชื่ออะไไม่เชื่อก็ไม่ยอมทำนะ่ไม่ยอมทำมันก็ไม่เชื่ อ, อแต่จริงแม้คนเชื่อโดยศรัทธาแต่ถ้าไม่เกิดผลจากการภาวนามันก็ยังไม่ใช่การเชื่อจริงๆนะบางสราวที่เราภาวนานแล้วมันไม่มีปัญหาเราก็ศรัทธาก็เชื่อไปแต่พอภาวนานไปบางทีมันมี มันคล้ายบางสภาวะมันก็มีความเบื่อมีความเซ็งมีความง่วงมีความสงสัยแต่ถ้เกิดความไม่แน่ใจว่าที่เราทําถูกหรือเปล่านะหรือว่ามันถามนี่มันใช่จริงหรือเปล่าอย่างเวลาเราปฏิบัตินะในรูปแบบการปฏิบัติแบบเชิสตินนะเริ่มต้นสุใบจันทร์ให้สอนให้เรารู้สึกตัวนะแรกๆอย่างไมก็จะสงสัย ความรู้สึกตัวนี่คืออะไรแต่เราก็คิดว่าเรารู้สึกตัวนะนเราคิดว่าเราต้องไม่ใช่เป็นคนหลงลืมอะไรเราไม่ใช่เป็นคนเป็นบ้าขาดสติอะไรแต่ความรู้สึกตัวในทางธรรมเนี่ยไม่ใช่ว่าการที่ขาดสติแบบทางโลกที่ต้องไปรักษาด้วยโรงพยาบาลโร ก, กจิตเวท น, นะแต่การหรือว่าลืมสิ่งของนะจําจสิ่งของจําคนอะไไม่ได้เพะนั้น อันนันเพียงแค่ทางโลกนะบางทีไม่แต่พระอริยะนะบางทีท่านก็ลืมถ้าด้วยสมองที่เขาเสื่อมไปนะแต่ในทางทาเนี่ยความรู้สึกตัวที่เราลืมเนะี่ยคือเราลืมปัจจุบันเราลืมตัวว่าตอนนี้กำลังทําอะไรเราลืมว่าตอนเนี้ยมันมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นใน จ, ใจิตใจเราลืมดูมันนะเราลืมเห็นมันถ้าเรากลับมาดูมาเห็นมันเนะ่ย อย่ที่พูดว่าพอเห็นจริงๆเนะ่ะไอ้สภาวะอารมณ์ตา่างๆมันจะหายไปนะที่เป็นที่เป็นอกุศลแต่ถ้าสภาวะที่เป็นกุศลเกิดขึ้นมันก็ไม่ได้หายนะนะบางทีความสุขเกิดขึ้นปิติเกิดขึ้นเราเห็นมันมันไม่หายแต่มันก็ไม่ได้เข้าไปอินอินหมายถึงว่าเข้าไปแค่กับความสุขแค่กับความสบายแค่กับความเพลิน มันจะมีสภาวะออกมาดูนะเห็นว่าใจแล้วนะมันมีความสุขเห็นว่าใจแล้วนะมันมีปิติแต่ไม่ติดมันนะไม่ติดมันแต่ถ้าสภาวะที่เป็นอนุสนเะนี่ยเห็นแล้วมันหาเห็นแล้วมันตัดนะมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ตั้งความรู้สึกตัวนะรู้สึกตัวที่หลวงพ่อเทียนท่านจะสอนคือให้รู้สึกตัวเวลาเราเคลื่อนไหวนะเราจะทําอะไรก็ได้แต่เคลื่อนไหวในปัจจุบันเนะี่ย พยายามคอยรู้สึกนะรู้สึกว่าตอนเนี้กําลังนั่งรู้สึกว่าตอนเนี้ยกําลังเดินรู้สึกว่าตอนเนี้ยกำลังปวดเมื่อยรู้สึกว่าตอนเนี้ยกําลังคิดรู้สึกว่าตอนเนี้ยกําลังมีความสงสัยอันนี้คือความรู้สึกตัวนะเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ทั้งกับการรู้สึกถึงร่างกายหรือสภาวะที่มันแสดงในจิตใจอันนี้คือความรู้สึกตัวนะ เราพยายามเนี่ยสร้างความรู้สึกตัวควารู้สึกตัวของคนทั่วไปน่ะถ้าไม่ได้ฝึกมาเน่ยมันจะไม่มากหรอกมันจะลืมตัวเยอะสิ่งที่สําคัญคือเรียกว่ามาสร้างนะสร้างความรู้สึกตัวโดยการเรียว่าตั้งใจตั้งใจสร้างการเคลื่อนไหวเนี่ยตั้งใจสร้างการเคลื่อนไหวแต่ไม่ใช่ว่าเป็นเพ่งเป็นเครียดนะตั้งใจหมายถึงว่านะตั้งใจพลิกมือ ตั้งใจยกมือนะ่ะไม่อยู่นิ่งๆนะ่ะอันนี้คือสร้างสติสร้างสตินะตั้งใจสร้างแต่ไม่ใช่ไปกําหนดมากกินไปทำสบายๆทํำเล่นรู้นะตั้งใจสร้างนะนะมันจะเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะแต่ก่อนที่เคยลืมตัวพอเราสร้างการเค้นไหวมันจะเป็นการสร้างความรู้สึกตัวขึ้นมาแต่สร้างแล้วนะบางทีมันก็จะลืมตัว นะมันจะหลงไปคิดนะมันจะลืมตัวหนะ้าที่เราก็คืออะไรกลับมารู้สึกตัวใหมนะ่เราจะไม่ห้ามความคิดเราจะไม่ห้ามความสงสัยเราจะไม่ห้ามสภาวะอารมณ์ต่างๆอะไรจะเกิดขึ้นมาก็แล้วแต่หนะ้าที่เราอย่างที่สอนคือกลับมารู้สึกตัวใหมนะ่มันจะคิดก็ไม่เป็นไร ไม่ต้องเอาเหตุเอาผลเอาดูคมผิดกับความคิดเนาะไม่ต้องไปสาวเหตุว่าทำไมวันนี้ถึงถึงสะดเปื้อนเือนทำไมวันนี้มันถึงคิดมากทำไมวันนี้อารมณ์มันไม่ปกติไม่ต้องไปคิดหาเหตุหาผลนะทำไมวันนี้เราถึงโกรธคนนี้ทำไมเรื่องนี้มันคิดมาอ่แล้วให้ทาไมทาไมเนี่ยคือสภาวะกดทั้งนั้นเลยนะถ้าเรามีความรู้สึกตัวเนี่ย คำว่าทำไมมันจะจบลงไปนะจบลงไปมันจะต้องมันจะแค่รู้ว่าเราสงสัยรู้ว่ามันใจมันใจมันมีคําถามนะแต่เราแค่เห็นสภาวะนะการรู้สึกตัวแค่รู้ว่าตอนนี้มันมีความสงสัยแต่ไม่ต้องไปหาคําตอบให้กันมนบางทีพวกเราบางทีเราเรียนหนังสือมาเยอะเนาะคือบางที เราอยู่ในสังคมที่พยายามสอนกันว่าต้องหาเหตุมันถึงจะแก้นยะแก้ได้ถูกเหตุแต่ในการภาวนาเนี่ยมันมีสภาวะที่มันต่างจากกระบวนการทางโลกเดียวนะการภาวนาเนี่แค่รู้ว่าตอนนี้นมันมีสภาวะอะไรก็คือรู้ว่าตอนนี้นผลมันเกิดขึ้นอะไรไม่ต้องไปหาเหตุเพราะบางทีการหาเหตุนะ่ะคือการที่เราไปหลงคิด ไปหลงคิดหาคาตอบไปหลงสงสัยแต่ที่จริงมันไม่ใช่คําตอบที่แท้จริงมันได้คําตอบจากความคิดแต่ไม่ใช่ของจริงแค่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นรู้มีอะไรเกิดขึ้นพอเลยกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึกตัวกลับมารู้สึก ต, ตัวไปบ่อยต่อเมื่อเมื่อใดที่ตรหัวปฏิจามากพอ เมื่อนั้นแหละมันจะเกิดคำตอบเองในใจว่าอืมให้สภาวะนั้นที่เกิดขึ้นน่ะมันเกิดจากอะไรมันจะเกิดความเข้าใจว่าอืมอ๋อมันเกิดแบบไหนที่จริงสิ่งที่สาคัญคือมันจะเข้าใจว่าอะไรจะเกิดขึ้นน่ะมันไม่มีท่าเลยอถ้าเราไม่ไปหลงยึดมันเองนะเพราะที่เพราะอะไรเพราะทุกอย่างเกิดขึ้นมันก็ดับไปตรงนะั้น เพราะทุกอย่างเกิดขึ้นก็ไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นถ้าเราเข้าใจจริงนะมีแต่รู้แล้วก็ต้องวางทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลดูแล้วก็ต้องวางทั้งนั้นแต่แต่ก่อนจิตของเราคิดว่าถ้าเป็นอกุศลเราต้องรีบเราต้อ <Yes. S 2> งรีบผักไสเขาเพราะเราไม่ชอบแต่ถ้าเป็นอกุศลเราอยากจะรักษาเขาไว้เราอยากจะถนอมเขาไว้ อันนั้นถ้าเราทําตามความอยากนะมันก็ยังไม่ใช่ทำสายการนะแต่อย่างความเพียรชอบเนะี่ยท่านไม่ได้บอกว่าให้อยากนะเข่าใจไหมให้อยากละเอาคุศลนให้อยากเพิ่มภูมกุณลนท่านไม่ได้บอกว่าไม่มีคำว่าอยากเข้าไปแต่จิตของพวกเราปุณตุยชนหลายคนเน่ยมันจะทําเช่นอันนี้มันไม่ดีเกิดขึ้นเราอยากจะละมันไปอันนี้มันดีเราจะเอาเข้ามาแต่ที่จริง การเพียงเพียงแค่มีสติเนะ่ะมันรักของมันเองละกับกุศลเองการแค่มีสติเนะี่ยมันจเจริญกุศลของมันเองนะไม่ใช่มีความอยากเข้าไปเกี่ยวข้องเนาะเนี่ยมันจะเป็นตัวเนี้ยเมื่อมีสติมันจะเกิดสภาวะรักาัากุศลแล้วก็จเจริญกุศลของเขาเองเนี่ยเราพยายามนะสร้างตัวรู้นะมีความสงสัยก็จขึ้นมา วางเหตุวางผลบางความสงสยัยไปก่อนนะพูดง่ายนะแต่ก็ <c oughs> ต้องทนะําำดูนงเพราะบางทีเราก็จะไม่ค่อยเชื่อยิ่งง่ายล่ะอย่างตมาเองก็ไม่ค่อยเชื่อยิง่ายนะมันตอนไปปฏิบัติธรรมตันบวชใหม่ๆอยู่กับหลวงพ่อเนะี่ยคำนี้นเราไม่เคยได้ยินเลยนะหลวงพ่อบอกไม่เอาเหตุเอาผลไม่เอาถูกเอาผิดไม่ให้เอาดีเอาไม่ดีเราสงเราค้านในใจมากนะ คับเวลาหลวงพ่นนเทศเพราะว่าทำไมไม่ให้เอาละเราเรียนมามันต้องมันต้องมีเหตุมีผลมีถูกมีผิดนะมีดีมีไม่ดีเราก็ต้องเอาสิ่งที่ดีเอาเหตุเอาผลนั่นต่างแต่ตอนที่ไม่เชื่อมันก็มันไม่รู้เนาะมันยังไม่เข้าใจแต่พอเริ่มเข้าใจมากขึ้นมันค่อยเข้าใจของครูบา อ, อ, อาจารย์ว่าหลพ่อเขาไม่อธิบายหรอกแต่ถ้าเราภาวนาไปเราจะเข้าใจเอง เราเอามันมันทุกมันหนักมันมันไม่สบายแต่ถ้าไม่เอาเนี่ยมันปล่อยเลยมันวางเลยนะมันสบายกว่ามันเบากว่าเพราะที่จริงจะไปยึดอะไรมันก็หนักทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าจะยึดความดียึดความถูกนะยึดความขิดก็หนักทั้งนั้นในสภาวะนั้นเราองเนี่ยการภาวนาบางทีมันมันตั้นในทางโลกนะเราไม่ต้องไปคิดหาเหตุหาผลอะไร บางเลยนะบางทีสมัยสมัยก่อนออครูบาอาจารย์ที่ท่านไม่เรียนหนังสือมากบางทีท่านเข้าใจธรรมะง่ายเลยท่านมีคิดซับซ้อนท่านไมีคิดซับซ้อนบางทีก็คิดซับซ้อนที่เราเรียนหสือเนี่ยมันหอกเราเหตุผลมันหลอกเราความคิดบางแผนมันหลอกเราอ่ความเก่งมันหลอกเราะแต่จริงรู้สึกซื่อะ รู้สซื่อตืมันมีอะไรเกิดขึ้นแค่รู้รู้เฉยไปเลยนะรู้แต่เพื่อแตะพื่อไปเลยนะไม่ว่าจะดีไม่ดีรู้แค่รู้แค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะพอแค่รู้มันเกิดขึ้นมันจะเห็นมันตัดไปนะแต่ถ้ารู้ไม่ซื่อนะมันจะเจอด้วยความอยากนะพอเจอด้วยความอยากเราจะรู้สึกว่าเป็นเราเห็นเรารู้สึกนะเพรามันโกรธ แต่ล้วก็เชื้อด้วยความอยากก็เราอยากให้มันหายหรือเราไม่พอใจเราไม่ชอบความโกรธนะเมื่อมันมีความโกรธขึ้นมาอยู่นะแล้วเรามีความไม่พอใจไอ้ความไม่พอใจนะ่ะคือเชื้อที่ทําให้ความโกรธมันอยู่ต่อไปนะเหมือนกับไฟมั้นไหม้นะเราก็เติมกระดาษเราเติมปืนเข้าไปนะมันก็ต้องไหม้ต่อเรื่อยๆแต่การรู้ทื่อๆนะ่ะเหมือนทิ้งไปเลยความโกรธก็หายไปเชื้อที่จะเติมใหม่ก็ไม่มี แต่บางทีเราไม่ทันใะนเราความโกรธขึ้นมาเราไม่พอใจก็เลยเติมเชื้อไปมันก็เลยไหมต่ออยเรื่อยหลายคนก็จะรู้สึกเนะ่ยฉันก็เห็นนะว่าฉันโกรธอยู่แต่ทํำไม่หายเพราะพึกแล้วเราไม่ชอบมันนะเราอยากให้มันหายแต่ถ้ารู้เฉยๆเนี่ยมันจะหายไม่หายเนี่ยไม่ได้มีท่ากับเราแต่มันจะหายไปอเองเอง เนี่ยทุกอย่างเราดูซื่อๆดูเร่ง ใ, ใจเป็นกลางการที่เรามีสติเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เราซื่อกับสภาวะซื่อความรู้สึกซื่อๆนั่นคือจะเรียกว่าสมาธิกำลังของสมาธิแล้วก็ปัญญาก็มาเสริมก็ได้เราจับสติที่สตินี่จะเป็นตัวจับจับสภาวะให้เห็น อ, อ๋อเห็นแล้วสภาวะเป็นแบบนี้การที่เรามีสมาธิใจมันตั้งมั่นเนี่ยก็คือว่า เมื่อไหร่ที่ใจมันจะไียึดเมื่อไหร่ที่มันไปแบนเนี่ยมันจะออมันจะไม่เข้าไปมันจะเห็นสเฉยธรรมดาแต่เมื่อเห็นแล้วมันตกไปอ่ามันจะเข้าใจการเกิดดับของสภาวะปัญญามันจะค่อยๆพัฒนาเนี่ยนะการที่เรามีสติเนี่ยฝึกความรู้สึกตัวไปเรื่อยต่อไปเมื่อเราเห็นเห็นจิตมันเกิดมันดับเห็จิตมันเกิดมันดับในสภาวะเนี่ย เรียกว่าเป็นการจเจรินปัญญาปัญญามันจะ้องเห็นเห็นความเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดับไปเก็นมาเนี่ยบ่อยๆไอ้จิตที่เคยหลงหลงผิดนะภาษาพาหมที่ว่าาวิชามันรู้อยู่นะไม่อวิชาไม่ใช่แปลว่าไม่รู้แต่มันรู้ไม่รู้ไม่จริงอรู้ไม่จริงมันรู้มันรู้แต่มันยังรู้ไม่ถูกะรู้ไม่ถูก แต่คำว่ามิจฉาเนี่ยคือรู้ทุกแล้วก็รู้ทางดับจากทุกได้อย่างแท้จริงแค่นี้แหละเหมือนจิตของเราเนี่ยนะมันเราก็รู้นะจะเชิงปริยัติว่าควรต้องทําแบบไหนต้องทําอย่างไรทําแล้วจะได้ผลอย่างไรเราก็รู้นะแต่ในทางปฏิบัติจริงๆเรายังทําไม่ได้ในการภาวนาทําให้มากๆนะคือพยายามฝึกไปบ่อยฝึกไปบ่อยฝึกไปบ่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยจนทั้งจิตมันทําได้ของมานเอง เนจิตมันทําได้ของมันเองอันนั้นว่าที่เกิดการปล่อยวางของมันเองเหมือนเหมือนเราเช่เราไปจับแก้วร้อนๆเนาะเราไม่ต้องไปคิดนะว่ามันนี้คือมันร้อนต้องปล่อยแต่เมื่อจิตมันรู้ว่าเอ้ยนี่มันร้อนมันคลุกมันปล่อยของมันเองมันไม่ใช่แค่ควาคิดนะเวลาเราเริ่มสติกนะมันมันรู้สึกมันวางเลยเมื่อจิตมันคิดเนี่ย ไม่ต้องคิดว่าต้องวางแต่มันจะวางมันเอมันจะวางคนมันเองเนี่ยเราค่อย้ฝึกไปจากตอนแรกที่เรืองบอกว่าตอนแรกความสึกตัวสติมันยังไม่มีก็ต้องตั้งใจสร้างมันก่อนตั้งใจสร้างในรูปแบบที่เราทําเช่นเดินจงกงรมยกมือสร้างจังหวะนะหือว่าการดูลมหายใจแต่ อ, อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นการที่เรียกว่าสร้างสติเนาะ ให้เกิดความรู้สึกตัวในียบสไหนก็แล้วแต่ในส่วนใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นกายเวทนาจิตหรือว่าธรรมเหมือนกันนะสร้างสติไปก่อนที่จริงมันไม่มีสายนะไม่มีรูปแบบอะไรที่มันดีที่สุดกับนะมันมีแต่ว่ารูปแบบไหนเราทำไหมเราสามารถสร้างสติให้มันได้มากที่สุดนะั น, นั้นเป็นือรูปแบบของเรานะ เหมือนกับอาชีพการงานเราจะบอกว่าอาชีพนี้ดีกว่าอาชีพนั้นนั้นก็บอกไม่ได้นะว่าแต่อาชีพนั้นมันสามารถหาเงินหาทองเลี้ยงตัวเองได้มันถูกทั้งหมดตั้งแนะ่การภาวนาต้องเหมือนกันนะในรูปแบบในวิธีการไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าอันไหนดีกว่ากันแต่เราเองมันแหละเราพรัฒนาดูว่าอะไรที่เราสามารถทำได้เดยอะๆในแต่ละวันเนะี่ย อย่างการรู้สึกตัวการเคลื่อนไหวนะเราเอาใส่การเคลื่อนไหวที่เรามีทั้งวันนะมาสร้างมาสร้างสติใช่ไหมเราไม่ต้องว่าเราต้องนอนนั่งสมาธิแล้วก็ค่อยได้ ร, รู้รู้กเลสบทที่มันละเอียดบางทีถ้าเราต้องเกี่ยวข้องกับคนอื่นเกี่ยวข้องกับการงานบาทีเราเราได้รู้ถึงสิ่ที่มันละเอียดไม่ค่อยทันนะแต่หลวงพ่อเทียนท่านเสนอวิธีการที่เรียกว่ารู้สึกกับกายที่ห ย, บยาบหยาบไปก่อน นะร่างกายที่เคลื่อนไหวจะยืนเดินนั่งนอนหรือว่าพลิกมืออะไรต่างๆนะมันเป็นแบบอย่างไปก่อนพอเรารู้สึกแบบนี้ไปเรื่อยๆต่อไปกายที่มันละเอียดนะี่ยมันจะรู้ของมันเองนะเช่นเราพลิกมือไปมันก็คลิกตามันก็รู้สึกมันหายใจเข้าหายใจออกนะมั น, มนรู้สึกนะมันมีความรู้สึกเกิดขึ้นที่กายตรงไหนมันก็จะรู้สึก ต่อไปความรู้สึกเกิดขึ้นในใจให้เบาใจหนักใจหรือว่าใจตอนนี้มันมีความคิดมีความสงสัยมันจะค่ อ, คอยๆระเกียเข้าไปรู้ไปเรื่อยเร่ยนะเริ่มจากกายหยาบๆต่อไปก็รู้กายที่มันละเอียดต่อไปก็จะเห็นสภาวะอารมณ์ความรู้สึกสภาวะความคิดที่มันแทรกเข้ามาเนีนถ้าเราสามารถทำได้บ่อยๆนะ <Jub ilee> ในเรียบบทที่ทําในรูปแบบก็ดีหรือว่าแต่ก่อนเราก็ทําอยู่แล้วนะที่จริงเรามีเรียบทที่ทำอยู่แล้วแต่เราลืมที่จะสร้างเราลืมเอาสติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการงานเช่นเรากินข้าวเนี่ยก็มีสติได้นะกินข้าวค่อยรู้สึกเข้าไปเรากินอยู่แล้วนะแต่เราลืมเอาสติเข้าไปเราเดินอยู่แล้วเนี่ยเราลืมเอาสติเข้าไป พระจันทรุ่มที่ปกติจะมาสอนด้วยกันนะท่านบอกว่าตอนที่ท่านไปหายหลวงพ่อคนเขียนทั้งแรกนี่พ่อทักเลยว่าแต่ก่อนเนี่ยกินข้าวฟรีฟีใช่ไหมเดินฟรีฟีใช่ไหมนอนฟรีฟีใช่ไหมฟรีฟรีก็คือว่าแบบทําเป็นเพียงแค่แบบทําไปแล้วแบบลืมตัวนะะคําว่าฟรีฟีก็คือว่าทำก็ไม่ได้ประโยชน์ก็กินก็แค่กินแล้วก็ทายออกไป เดินก็แค่เดินจุดหนึ่งจุดหมายไปทางหรือว่า น, นอนก็เพียงแค่รอตื่นแต่หลวงพ่อบอกให้ลองกลับไปทําเนี่ย่ะลองกินจะกินฟรีๆก็คือกินไปรู้สึกตัวไปด้วยเดินไปมีสติรู้สึกตัวไปด้วยในขณะที่เดินอนอนเองก็เหมือนกันนอนก็ก่อนนอนก็อย่าหาเรื่องมาคิดรู้สึกตัวก่อนตั้งแต่ตอนยังไม่หลับแล้วก็หลับไปสติจะเข้าปประคอง อณะที่เราทามันฟันถ้ามันอะไรต่างๆมก็จะตัดตัวมันเองตื่นขึ้นมามันก็จะรู้สึกตัวต่อบง่ายอันนี้คือเราไม่ทําแบบฟรีๆนะเพราะจริงๆรูปแบบอะที่เราทำเนี่ยเรากายเราก็มีอยู่แล้วพ่าทาอะไรก็รู้สึกตัวได้เพียงแต่ว่าเราเติมเติมความรู้สึกตัวก็คือว่าหรือจะได้อย่างว่าเอาใจไปคอยรับรู้ใช่ไหม กายเราเคลื่อนไหวอยู่แล้วเช่นกินข้าวเดินพูดคุยต่างๆเพียงแต่ว่าใจเราอะ่ะมันไม่ค่อยรับรู้เช่นเราคุยใจเราก็จะไปอยู่กับความคิดหรือเราดูหนังใจเราก็ไปอยู่กับสิ่งที่เราดูแต่การรู้สึกๆคือว่าเติมว่าเอาใจไม่คอยรับรู้ร่านกายตัว น, นี้ เอาใจมัคอยรับรู้แต่ภาวะที่เกิดขึ้นในจิตใจนี้เนี่ยเอาเติมเข้าไปในอีโบทต่างๆเนาะอย่าถ้าเราทําแบบนี้ได้นะส ต, ติมันจะพัฒนาได้เร็วนะเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งของการภาวนาคือว่าบางทีเราจะรู้สึกเราภาวนามาหลายปีไปหลายที่ทำไม่เกิดผลเพราะว่าเราขาดความต่อเนื่องอยู่บางทีเราทํา เรารู้สึกตัวได้แต่ในรูปแบบเรารู้สึกตัวได้แต่ตอนมาเข้าคอสปฏิบัติธรรมหรือตอนที่เราไปวัดแต่พอเราไปอยู่ที่บ้านไปอยู่ที่ตำนานไปอยู่ที่อื่นความรู้สึกตัวมันน้อยมากนีน้อยมันก็เลยไม่ปฏิบัติต่อเหมือนกับเราต้มน้นะํำเราจะเสีย ก, การน้ําร้อนเะข้าไปมันดับปิดชั่วโมงนะมันจะมันจะร้อนให้เราไหมมันก็ไม่ร้อนเนาะมัก็ต้อง อให้มันความร้อมันต่อเนื่องไปเรื่อยมันถึงจะน้ําถึงจะเดือดใช่ไหมการภาวนาก็เหมือนกันบางทีถ้ามันทิ้งช่วงนานๆลืงตัวนานๆเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดความต่อเนื่องกำลังสติมันก็เลยน้อยลงไปหรือที่จริงมันไม่ใช่ว่าทําให้เราเฉยๆอยู่เฉยๆนะแต่จริงมันทําให้เรามันโด่งสภาวะที่โด่งมันเหมือนคอยดังไปเรื่ยนะถ้าจะเปรียบเทียบนี้ ให้มันใกล้เคียงหน่อยก็เหมือนเราพายเรือทนน้ําถ้าเราไม่พายเรือเนี่ยกระแสน้ําก็ต้องทัดพาเรือนะมันถอยหลังกลับจิตใจของเราซึ่เหมือนกันเราสังเกตไหมถ้าคนคนเท่าคนแก่ที่ไม่ค่อยได้ภาวนาไม่ค่อยรักษาทีไม่ค่อยสนใจธรรมะเนี่ยยิ่งแก่ก็ยิ่งโกรธเยอะขึ้นยิ่งแก่ก็ยิ่งกงังวลเยอะยิ่งแก่ก็ยิ่งรู้สึกกลัว อยู่คนเดียวไม่ได้เพราะไม่ค่อยได้ภาวนานแต่ถ้เราภาวนานเนี่ยยิ่งแก่เนี่ยก็าวางใจได้เยอะขึ้นเพราะมันเห็นสัจธรรมเยอะขึ้นแต่ก่อนสัจธรรมมันก็เห็นเยอะแต่ยังไม่ทราบซึ้งแต่พอเกิดขึ้นกับตัวบ่อยๆเราค่อยทราบซึ้งขึ้นนะเราลองอาศัยตามีสติเข้าไปคอยรับรู้นะอะไรจะเกิดขึ้นมาเนี่ยคอยแค่รู้เฉยๆแค่รู้เฉย มันเกิดความเข้าใจมากขึ้นเมื่อเรารู้บ่อยๆมันจะเกิดสภาวะแย่แยกอะไรแยกรูปแยกนามเห็นว่าไอ้ที่มันเกิดขึ้นน่ะเอ้มันรูปนะรูปมันเดินใจแค่คอยรับรู้นะหรือว่าความคิดทมันเกิดขึ้นมาเนี่ยแต่มันก็เป็นแค่ความคิดแต่ก็ยังมีตัวใจที่ปกติคอยรู้อีกทีหนึ่ง มันจะเห็นว่าไอ้รูปก็ส่วนหนึ่งไอ้ความคิดความหลงก็ส่วนหนึ่งแต่ตัวรู้จริงๆก็ส่วนหนึ่งมันจ้เห็นมันเป็นคนละ ส, ส่วนกันมันเป็นคนตักกงกรกันแต่ก่อนเราเคยเคยคิดว่าไอ้รูปนี่คือเราไอ้ความคิดนี่คือเราแต่พอเมื่อเราเห็นว่าไอ้รูประสักแต่ว่าเป็นรูปไอ้ความคิดก็เป็นสักแต่ว่าความคิดแต่ใจที่เป็นปกติเนี่ย มันไม่เป็นอะไรมันเป็นธรรมชาติแค่รู้เฉยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรมามามาติดมายึดได้ให้สภาวะตรงนี้แหละเราเพียงแค่กลับมาหาเขากลับมาพอกลับมาสุดสวนเรจะกลับมาหาทางนี้เองอ๋อแต่ไม่ใช่ว่าการเห็นนี้จะไม่หลงนะมันหลงไปแต่หลมแล้วมันจะกลับมาได้เร็วกลับมากลับมากลับมา แต่ถ้าถ้าติดกันมาที่มันตั้งมั่นมากมันมันแค่กระเพื่อมไปเนี่ยมันกลับอะไรมันไม่ชันเป็นติดเป็นความทุกข์นะแต่มันแค่แค่แคล้ายๆข อ, อบเข่ฐานนิดนึงมันกลับมาออกนิดนึงกลับมาไม่ทันไปแตกนะไม่ทมันอันนี้คือสภาวะที่เราพัฒนาไปเรื่อยๆต่อเมื่อยนะปัญญามันมากนะมันก็ยิ่งแยกย่อยไปละเอียดขึ้นเพียงคันตะั้งห้ามันเป็นเพียงแค่สภาวะ สภาวะของขันที่มันสแสดงสภาวะธรรมเฉยเฉยเมื่อนั้นแหละเราจะเห็นว่าเราค้อนอยู่กับโลกแบบไม่มีแต่เรื่องสมมติทั้งนั้นเลยนะสมมตินะทั้งที่จริงสมมติทั้งภายนอกทั้งสมมติทั้งภายในมันมีแต่สมมตนะิมันก็เลยม่ยึดติดมันก็เลยปล่อยวางได้ของมันเองเพราะว่าอะไรปัญญามันเห็นว่ามันเป็นเพียงแค่ธาตุมัเป็นเพียงแค่ขัน มันไม่ใช่ตัวไม่ใช่คนของเราเนี่ยแหละเราต้องพัฒนาไปเองนะเราจะเห็นว่าโอ้ความทุกข์มันน้อยลงไปโดยที่ไม่ได้ว่าหวังจะ ต, ต้องทนทุกข์นะไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องอยากให้มันทนทุกข์แต่เราจะเห็นเลยว่าความทุกข์มันน้อยลงไปน้อยลงไปเรื่อยๆความสุขใจนะแต่มันก็ไม่ใช่สุขแบบสนุกสนานไม่ใช่สุขแบบอืมหัวเราะลาเดิ่มแบบนั้น แต่เป็นความสุขที่เกิดจากความคล้ายๆเบาใจ ừ. สบายใจไม่ต้องกังวลอะไรไม่ต้องมีภาระอะไรแต่จะมีการงานนะที่เป็นภาระทางโลกแต่มันรู้สึกไม่หนักใจสภาวะเนี่ยเรียกว่าความสุขใจก็คือไม่หนักใจสบายใจเบาใจอะไรที่เกิดขึ้นกับใจมันไม่ติดใจ ừ. มันไม่ติดใจคำว่าไม่ติดใจใช่ไหมภาษาภาษา คืออะไรเกิ el, mosque, ้นม like he ันไม่ติดอ่ะมันไม่เหมือนหลวพ่อเขียนชอบเปรียบเทียบว่าเหมือนความก้อนหินต้องใส่ผนังอ่ะก้อนหินมันต้องมันไม่ติดผนังอ่ะมันตกมันตกมันตกแต่ท่านใจเรามันไปติดไว้เหมือนกับควางก้อนดินเหนียวนะไปติดผนังผนังก็เคลื่อมันไม่ติดใจคือแบบนี้อะไรเกิดขึ้นมาก็แค่แค่รู้กระทบแล้วก็ผ่านกระทบแล้วก็ผ่านเนี่แหละคือสภาวะที่เรา ต้องเขาได้พัฒนานะเป็นผลที่เกิดจากการภาวนาของเราเนาะให้เราค่อยๆพยายามตึกไปเนาะก็บอกไว้นะแต่ก็บอกเฉยๆถ้าเราไม่ทำก็ไม่เกิดประโยชน์นะนะวันนี้ก็ท้งวันเนาะให้เราได้ลองตึกทำความเกียนกันนะมีความสงสัยอะไรก็บางไว้ก่อนลองแค่พยายามสร้างความสุขตัวนะ หาเทคนิคหาวิธีการหารูปแบบที่เราเกิดความรู้ตัวโดวยอาศัยไอเดียปลดนะที่เรากำลังทำนั่นแหละเป็นการตั้งตัวรู้ขึ้นมานะความสงสัยว่างให้ปลดกลับมารู้ตัวก่อนกลับมารู้ตัวก่อนลองทำดูเนาะมาว่าวันวันหนึ่งนี่ก็ไม่น้อยนะถ้าเรารู้ตัวได้นะทุกวินาทีเนะี่ยก็ชั่วโมงหนึ่งก็สามพันหกร้อยรูนะ 10ชั่วโมงก็ 36,000 รูนะ้เนี่ยมันเยอะน ะ, ะดีกว่าบางทีในแต่ละวันเนี่ยเรารู้ตัวไม่กี่ครั้งนะใช่ไหมเรารู้ตัวเป็นหมื่นเนะี่ยเป็นพันก็ยังดีนะเราก็มาสร้างยังไม่ต้องไปทําอะไรกับอากุศลหรือความคิดน ะ, ะไม่ต้องไปเอาเนี่ยเอาผลกับความคิดความหลงให้หลงก็เรื่องของมันหน้าที่เราคือสร้งตัวรู้ตั้งตัวรู้ เหมือนเราไม่ต้องไปขับไล่ความมืดแล้วก็เปิดไฟตั้งความสว่างความสวา่วางเนะี่ยมันเป็นแทนที่ความมืดเองนะความรู้สึกตัวพวกนั้นกันมันเป็นแทนที่ความหลงในใจเองไม่ต้องไปคิดยึดละกุตลเพียงแค่เจริญกุตสรคือความมีสติเนะี่ยอุศลมันดับไปประมันเองนะเรา ท, ทําตรงนี้ดูนะเราก็จะเห็นผลการภาวนาของเราเองเนาะ แล้วที่นี่ใครใครยังเป็นผู้ใหม่ที่ไม่เคยฝึกบ้างมียกนือให้ดูหน่อยหลายคนใครไม่เคยฝึกเดี๋ยวก็อยู่ตรงนี้ก่อนเนาะถ้าใครเคยฝึกเนะไปฝึกจำนานแล้วก็ชั้นบนอีกสองชั้นก็ ข, ขึ้นไปนั่งก้าวจังหวะหรือเดินจมกรมก็ได้หรือใครจะึจะนั่ง อยู่ตรงนี้ก็ได้เนะะาะสำหรับผู้เก่าก็าเชิญนะักก็แยกย้ายกันไปพอนาังานเดีประมาณตัเงิดโมง19โมง25ก็กลัตบตลงมาก็ได้หรือกลับมาก่อนก็ได้นะเนาใอะไรตั้งใจเนะะาะทาให้สบายสบายาตา้งสติขึ้นมา เกิดคนที่ที่ยังไม่เคยฝึกก็อาจจะมาเรื่องมานั่งแถวข้างหน้าก็ได้จะได้แนะนำพีพีรูปแปบในการฝึก